เราทุกคนควรจะนึกถึงเวลาที่มีอยู่ของพวกเราเวลาที่มีอยู่ของพวกเราควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าแจ่จิตใจ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเราฉะนั้นเวลาที่พวกเราที่มีอยู่ก็คือหมายความว่าสุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกเราอาสัยวันเดือนปี แต่วันเดือนปีที่เรียกว่าเวลานั้นน่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเขาก็อยู่คงที่ของเขาวันก็มีแต่มืดกับสว่างมืดกับแจ้งสลับผัดเปลี่ยนกันไปตามเวลาหมุนของโลกอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเขา ส่วนจะก ำ, นกำหนดเพิ่มเติมว่าเดือนปีอันนั้นก็แจกประเด็นสมมุติกันว่ากันไปตามเรื่องฉะนั้นถ้าเรามากำหนดรู้เรื่องเวลาท่าหมายทั้งว่าวันเดือนปีนั้นความจริงมันก็มีอยู่ตลอด ที่ว่าเวลาควรให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราในคําว่าเวลาที่พวกเรายังมีอยู่อันนี้คือหมายผมว่าสุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เกี่ยวข้องอยู่กับวันเดือนปีนี้หมายเอาวันนี้ตั้งหากพวกเรา เคยเจะยินข่าวน่าจะหลดสังเวชมาเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าเวลาที่มีคุณค่าหรือหมดเวลาหมดโอกาสไปข่าวที่พวกเราที่ยินผ่านานมานี่อย่างข่าวเรือล่มที่กอนแก่น กะชิดดูซินะมาเจว่าคนเท่าคนแจ่นั่นน่นะว้ยกาลังที่สร้างความเจริญแจ่ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองทีเดียวรวนแล้วแต่พวกศึกษามาดีทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นข่าวที่ รถแกตระเบิดที่กรุงเทพเป็นข่าวที่สะเทือนจิตสะเทือนใจสะเทือนขวนแจจประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกเอาทีเดียวในสิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันเกิดขึ้นมาได้อย่างน่าสยดสยองจริงๆ ไม่มีประตูที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะต่อสู้นั่นเห็นไหมนอกจากนั้นก็การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการอุบัติเหตุต่างๆที่เล็กที่น้อยมีอยู่ไม่ได้ขาดไม่ได้เว้นแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าวันและเวลาของของเขาเหล่านั้น่ะหมดแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เมื่อได้นึกถึงความดีที่อยากมาบำเพ็ญมาสร้างมาปฏิบัติมาแสวงหา ให้เกิดให้มีเคลื่นแจจิตใจถึงอายุจะยืนานานเป็นร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความมัวเมาไม่มีประโยชน์ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ได้สรรเสริญ <c oughs> ท่านไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและบุคคลอื่นพอชีวิตความเป็นอยู่ถ้าขาดจากการสร้างประโยชน์ให้แก่ตนและบุคคลอื่นแล้วมันขาดความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่ประโยชน์ใดที่สร้างให้แก่ตน สร้างขึ้นแล้วมีความสุขกายสบายใจ <c oughs> ความสุขกายสบายใจที่มีในตนยังเป็นประโยชน์เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับเราจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องลุงป้านหน้าอานอกจากนั้นประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติบ้านเมืองโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแจ่ตนรบกลอื่นอย่างนี้หาได้ยากหาได้ยากทีเดียวส่วนมากแล้วการแสวงหาและทำกิจการงานก็ทำกันอยู่ส่วนมากมึง ไปทางด้านวัตถุถ้ามุ่งไปทางด้านวัตถุสร้างความเจริญทางด้านวัตถุสแสวงหาทางด้านวัตถุอันนี้มันเป็นฝ่ายที่จะทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์ทางกายและจิตใจไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะการแสวงหาการสร้างในลักษณะเช่นนั้นต้นเหตุสาเหตุมันเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําถ้ากิเลสตัณหาเป็นเครื่องนํากิเลสตัณหาเป็นเครื่องจากเครื่องต้องการแล้ววัตถุเครื่องใช้ถึงจะเจริญถึงขนาดไหน สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องตอบสนองกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหาได้เพียงพอแก่ความต้องการไม่มีทางฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ถึงจะแสวงหากาะวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ได้มาเพื่อเป็นเครื่องตอบสนองกิเลสตัณหาให้เพียงคอแก่ความต้องการของกิเลสตัณหาแล้วชีเวิบร้อยปีถึงจะจีร้อยปีพอตางไม่มีทางไม่มีทางที่จะให้กิเลสตัณหาพอในสิ่งเหล่านั้นท่านจึงเปรียบสเสมือนหนึ่งว่า เราก่อไฟขึ้นแล้วหาเชือเพลิงมาใส่ให้ไฟนั้นอิ่มด้วยเชือเพลิงเชือเพลิงนั้นจะเป็นวัตถุประเภทไม้หรือจะเป็นน้ำมันก็ตามแต่หามาใส่หามาใส่ให้ไฟนั้นมันอิ่มในเชือเพลิงนั้นไม่มีทางไม่มีทางที่จะให้ไฟอิ่มในเชือเพลิงนั้นได้ หามาใส่เท่าไรก็ยิ่งลุกโหมขึ้นสแสดงดิแสแดงเลดขึ้นเมื่อไฟลุกมากๆยิ่งหาวัตถุสิ่งนั้นมาใส่ยิ่งหมดได้เร็วอันนี้ก็ฉันใดขึ้นชื่อว่าจิเลตในจิตใจมีอยู่เป็นเหตุเป็นเครื่องนำ ทำให้จิตใจแสวงหาในวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการของกิเลสตันหาแล้วตายเปล่าสิ้นประโยชน์เปล่าไม่มีประโยชน์อันใดเลยเราจะรู้ได้อย่างไง ร, รู้ได้ในปัจจุบันในขณะ น, นี้ที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้ อายุของพวกเราผ่านมาเท่าไหร่การสร้างประโยชน์ก็ดีการศึกษาเล่าเรียนก็ดีการแสวงหาเงินหาทองชื่อเสียงเกียรติยศก็ดีเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้มีอะไรมากับเรามีอะไรติดตัวเรามานอกจากสิ่งที่เราหยิบเราฉวยมาใช้จะเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายก็ดี ทรัพย์สินเงินทองก็ดีก็มีเพียงแค่นี้มีเพียงแค่นี้นอกจากนั้นหายหมดจริงจริงแล้วเครื่องใช้เหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยเพียงแค่อาศัยสุขภาพร่างกายบรรเทาทุกข์ในสุขภาพร่างกายนี้เท่านั้น อาศัยกันอยู่ชั่วระยะชั่วระยะที่พอจะอาศัยกันได้แต่ร่างกายกับจิตใจนั่นน่ะมันเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันฉะนั้นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ มันจึงเป็นประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราวเฉพาะสุขภาพร่างกายของเราเท่านั้นถ้าเราไม่นำวัตถุสิ่งของที่เราแสวงหามาได้มาผัดเปลี่ยนโดยเหตุส่วนที่จะให้เกิดคุณค่าคุณภาพทางด้านจิตใจ าเราละเลอกนึกถึงว่าร่างกายกับจิตใจของเราอันนี้มันเป็นของอยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละสัสดส่วนเราจะมองเห็นคุณค่าทางร่างกายของเราและจิตใจของเราต่างกันอย่างน่าเป็นห่วงทีเดียว อันนั้นคือหมายความว่าจิตใจนี้ถึงจะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสีสันวันนาะไม่มีรูปร่างแต่ใจมันเป็นธรรมชาติรัดเรื่องเอาไว้เรื่องอะไรที่สุขภาพร่างกายของเรา ได้เจ็บส่งยื่นให้อย่างทางตาไปเห็นอะไรดีก็าตามชัวว่วก็ตามหูของเราก็เหมือนกันไปรับฟังอะไรดีก็าตามชัวว่วก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละรับมาแล้วไม่ใช่ว่าจะรับมาไว้เพพาะแช่หูแช่ตาแช่ปากแค่ลิ้นเท่านั้น รับเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรเอาไว้แล้วส่งเข้าถึงจิตใจทั้งหมดฉะนั้นจิตใจของเราที่อาศัยร่างกายนี่แหละ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มาไข้ควรปินิดพิจารณาแล้วจะเห็นเป็นลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นมาชั่วชีวิตนี้ ชีวิตเดียวเท่านั้นตายแล้วแล้วไปชีวิตข้างหน้าจะดียังไงชั่วยังไงไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายถ้าต้องการอะไรในชีวิตนี้ขอให้นึกซะว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการผิดไม่ว่าถูกไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่ายื่นมือเขารับยื่นมือเข้ารับในลักษณะอย่างนี้แหละเป็นลักษณะที่ทาลายตัวเองแบบที่น่าจดวดสังเวชมาก เพราะทำไปแล้วนั่นสิ่งที่ตัวเองตัวเองทาน่นนะแทนที่จะจบลงเพียงแค่ทาเท่านั้นก็เหมือนอย่างที่ว่าทำไปแล้วรับมาแล้วมันส่งให้จิตใจทั้งหมดจิตใจที่อยู่ภายในร่างกายของเรานเะนะี่ยเป็นผู้รับภาระเป็นผู้รับความทุกข์เอาไว้ถ้าเป็นสิ่งให้เกิดทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นผู้รับทุกข์เอาไว้ ถ้าเป็นสิ่งที่ให้เกิดสุขก็เป็นผู้รับสุขเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเรามองถึงประเด็นว่าร่างกายของเราตาของเราไม่รับความสุขความทุกข์อะไรหูของเราฟังมาแล้วทั้งดีทั้งชั่วไม่รับความสุขความทุกข์อะไรมือของเราไปสัมผัสไปถืออะไรเอาไว้แล้วร่างกายของเราไปสัมผัสอะไรเอาไว้แล้วไม่ได้รับความสุขความทุกข์เอาไว ทั้งปากทั้งเลนทั้งจมูกอัตภาพร่างกายทุกสัด ส, ส่วนไปรับเอาไวแล้วไม่ได้รับความสุขความทุกข์เอาไว้เพียงแค่ก็สิ่งเหล่านี้มันไปรวมอยู่กับจิตใจทั้งหมดเมื่อไปรวมอยู่กับจิตใจทั้งหมดตรงนี้แหละมันจึงมองให้เห็นประเด็นว่ากายกัน เล็บทีเดียวเรื่องใจกับร่างกายกายกันตรงที่ว่ากายของเร า, าน่นะทำมาไว้แล้วมันไม่ได้รับความสุขความทุกข์ใจของเราเป็นผู้รับต่างหากเมื่อใจของเราเป็นผู้รับเราควรจะสร้างความสนใจให้กับจิตใจของเรา เห็นจิตใจของเรนี่เป็นของที่มีคุณค่าเป็นของเลิ่เป็นของประเสริฐในชีวิตความเป็นอยู่นี้ถึงแม้ว่ารูปร่างสังขารร่างกายของเราจะอยู่ในลักษณะไหนถ้าเผื่อเรามองเห็นเหตุเห็นผลความประเสริฐของจิตใจแล้ว เราเยี่ยจะเห็นคุณค่าของจิตใจมากทีเดียวว่าจิตใจนี่มีคุณค่าเป็นของเลิศของประเสริฐเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่น่าหวงแหนขนาดไหนให้เราสังเกตดูง่ายง่ายว่าตัวเขาก็ดีตัวเราก็ดีหรือตัวสัตว์อื่นที่พวกเราลักหวงแหนก็ดี เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดไหนเหลือแต่หนังห้มกระดูถ้าจิตใจยังอยู่ยังรักษากันอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่เหมือนวัตถุอันเื่นนะถ้าวัตถุอันเื่นเก่าขําค่าขึ้นมาเข้ามาหน่อยแล้วก็โยนทิ้งได้ปล่อยทิ้งได้แต่จิตใจนี้จะทำอย่างนั้นไม่ได้ เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดในเหลือธอลมหายใจฟอดฟอดรู้ว่าจิตใจยังดู่ก็ยังรักษากันอยู่ดูที่น่ะคุณค่าของจิตใจดีฉะนั้นจิตใจดีไปอยู่ที่ใดควรจะสร้างความดีให้เกิดขึ้นควรจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้น ควรจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นเรียกว่าสร้างความประเสริฐสร้างความดีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทาง จ, จิตใจจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเวลาความเป็นอยู่ของพวกเราจึงจะจัดเป็นเวลาที่มีคุณค่าเฉพาะพวกเรา ดนั้นจิตใจที่พวกเราอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงจิตใจก็คือเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราก็คือเป็นห่วงจิตใจเป็นห่วงจิตใจนี่เป็นห่วงเพราะอะไรเป็นห่วงเพราะความดียังไม่เพียงพอเป็นห่วงเพราะความสุขยังไม่เพียงพอเราต้องการความดี ความดียังไม่เพียงพอเราต้องการความสุขความสุขยังไม่เพียงพอเราต้องการความพ้นจากทุกข์เรายังมีความทุกข์อยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าจิตใจนีเสียเป็นทุกข์มากทีเดียวจิตใจไม่ดีเป็นทุกข์มากทีเดียว ชีวิตความเป็นอยู่จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะค่ายควรเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของจิตใจจึงจะเป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะจิตใจที่มีความดีจิตใจที่มีความไม่ดีมันต่างกันมากจิตใจที่มีความดีความจริงแล้ว ตัวเองก็เกิดความภูมิใจถ้าจิตใจของเราดีบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราก็เกิดความสุขความสบายเกิดความดีอกดีใจเพราะชีวิตชีธีจิตใจที่อาศัยอยู่จะอยู่ในฐานะในลักษณะอย่างไรอยู่ในฐานะเป็นพ่ออยู่ในฐานะเป็นแม่อยู่ในฐานะเป็นลูก หลืออยู่ในฐานะเป็นพี่เป็นน้องประเภทไหนก็าตามจิตใจที่อาศัยรูปร่างอยู่ตามฐานะนั้นๆก็ควรจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นญาติพี่น้องที่ดีความดีในลักษณะที่ดีในจิตใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่า อาศัยความดีเกิดจากด้านวัตถุความดีซึ่งเป็นสมบัติของจิตใจไม่ใช่ความดีเกิดจากด้านวัตถุด้านวัตถุมันเป็นสมบัติของร่างกายจะไปพุ่มไปห่อให้จิตใจไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีตัวไม่มีตน เอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองเอาผ้าผ่อนท่อนตะใบไปให้จิตใจใช้ไปให้ใจใิต ใ, ใจประดับมันเป็นคนละเรื่องเพราะจิตใจไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไ, ไม่มีรูปไม่มีร่างถึงจะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันมีความพิเศษอยู่ตรงว่า สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันไปรวมอยู่จิตใจทั้งหมดความดีก็ดีความชั่วก็ดีมันไปรวมอยู่กับจิตใจทั้งหมดเมื่อจิตใจมีลักษณะความดีหรือความชั่วอันนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาเฉพาะพวกเราแต่และท่านแต่และคนชีวิตที่เกิดมาจิตใจที่เกิดมาแล้วเราควรจะเลือก สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นกับจิตใจตัวเองคือความดีความถูกความเจริญมันจึงจะถูกต้องความดีซึ่งเป็นสมบัติของจิตใจถ้าไม่เกิดจากด้านวัตถุภายนอกเกิดจากอะไร องค์ศาตะดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์เป็นสยามภูตรัสรู้ชอบเองแล้วเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ท่านรู้ถ้าไม่รู้พระองค์จะเป็นสยามภูตรัสรู้ชอบเองไม่ไม่ได้เป็นครูอาเป็นอาจารย์สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เพราะพระองค์ท่านรู้รู้อะไร รู้สิ่งที่จะอำนวยความสุขให้ใจิตใจรู้สิ่งที่จะสร้างความดีเกิดขึ้นทางจิตใจด้วยวิธีการอันใดพระ อ, องค์รู้เมื่อพระ อ, องค์รู้แล้วไม่มีวิธีอื่นที่จะสร้างความดีเกิดขึ้นทางจิตใจได้นอกจากคุณธรรม หรือว่าบุญกุศลหรือศีลสมาธิปัญญาท่านแยกแต่และประเภทแต่และประเภทเป็นสาเหตุที่จะสร้างความดีให้เกิดขึ้นทางจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีชื่อแล้วตัวตน มันไม่มีอย่างศีลถ้าจะว่าในลักษณะเป็นสมบัติทาง จ, จิตใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าจะเรียกลักษณะของทานซึ่งเป็นสมบัติของ จ, จิตใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนอีกหรือชน เรียกสมบัติของจิตใจอันหนึ่งเอกหรือว่าบุญกุศลก็ไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอีกหรือจะเรียกสมบัติความดีทางสมาธิหรือปัญญาซึ่งเป็นสมบัติของจิตใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนอีกมีแต่ชื่อเมื่อมีแต่ชื่อแล้วเราควรจะรู้ยังไงในลักษณะของศีลก็ดี ของทานก็ดีของบุญของกุศลก็ดีหรือของสมาธิของปัญญาเนี่ยก็ดีเราควรจะรู้ในลักษณะยังไงจิตญายัางไงจึงจะได้มาเป็นสมบัติของจิตใจสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์สุขเกิดขึ้นทางจิตใจทำให้จิตใจของเรามีความสุขความสบายทำให้จิตใจของเราเป็น ใจิตใจที่ดีมีความดีให้เกิดขึ้นทางกิจใจมีความดีแล้วมีความสุขเกิดขึ้นทางใ จ, ใจิตใจเราจะรู้รู้ได้ยังไงเรารู้ได้ในลักษณะหรือกิริยาเพราะลักษณะหรือกิริยานี้มันเป็นสมบัติ ของคู่ควรอยู่กับจิตใจตัวอย่างให้เห็นได้ชัดที่มีในจิตใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนมีอยู่แล้วนั่นแหละคำว่าลักษณะหรือกิลยาใจของเรามีอารมณ์อันใดเป็นลักษณะมีอารมณ์คุณข้องหมองใจหรือ ความคุณข้องมองใจนั้นเป็นลักษณะความเครียดภายในจิตใจหรือความเชียดนั้นเป็นลักษณะอาร ม, มโมโหโทโสจิตใจเป็นทุกข์ฟุ้งซ่านลำคาญหรืออันนั้นคือลักษณะอันนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่เป็นลักษณะ ความโศกเศร้าโศการ้องไห่ร้องห่มร้องไห้ลำลายลำพันล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะอันนี้ลักษณะฝ่ายไม่ดีเมื่อสิ่งเหล่านี้มีในจิตในใจเป็นลักษณะที่มีในจิตในใจโปรดเข้าใจเถิดว่าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ไม่ดีเป็นจิตใจที่น่าเป็นห่วง พอจิตใจไม่ดีนี้มันจะเกิดความเศร้าหมองเกิดความเป็นบาปเกิดความเป็นกรรมเกิดความเป็นทุกข์เมื่อจิตใจมีความเป็นทุกข์แล้วจะอยู่คนเดียวก็ตามมากคนก็ตามนั่งอยู่กองเงินกองทองขนาดไหนก็ตามหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นความชั่วก็ดีความดีก็ดีจึงว่าถ้าเป็นสมบัติ ของจิตใจแล้วให้ดูในลักษณะให้ดูในกิริยาอันนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าสมบัติของจิตใจดูในลักษณะดูในกิริยาต้องรู้อย่างนั้นฉะนั้นตรงกันข้ามทางดีที่นี้ตรงกันข้ามทางดีใจของเราเราต้องการ <c oughs> เพื่อคุณธรรมทางดีให้เป็นลักษณะของศีลธรรมเป็นลักษณะของบุญของกุศลเราต้องมาปรับจิตใจของเราเปลี่ยนวิถีจิตใจของเราให้อยู่ในลักษณะของความดีบุญกุศลหรือศีลทานภาวนา แล้วแต่จะเรียกชื่ออันนั้นขึ้นมาให้ใจของเราอยู่ในลักษณะอันนั้นตัวอย่างเราเรียกชื่อว่าความดีขึ้นมาความดีนี่เป็นชื่อของศิลธรรมทุกประเภทเมื่อนึกถึงความดีขึ้นมา แล้วก็นึกถึงใจของเราใจของเรามันดีไหมถ้าไม่ดีเราเนิบจะไงใจของเราจึงจะดีเมื่อนึกหาวิธีนึกถ้านึกถึงกว่าดียังไม่ได้ก็ดูว่า มันมีอะไรภายในใจเมื่อนึกถึงความดีใจของเรายังไม่ดีมันมีอะไรภายในใจนั้นมันมีกิเลสยาใดมันมีกิเลยาอารมณ์แห่งความทุกข์ประเภทใดมีความเศร้าหมองประเภทใดมีความเครียดอยู่กับอารมณ์ประเภทใดอันนี้เราต้องเข้าไปแก้ เราต้องเข้าไปชำระด้วยจิิยาการนึกถึงข้อธรรมเราจะนึกถึงข้อธรรมที่เรียกว่าจาคะการเสียสละอันนี้ก็ใช้ได้เมื่อใจของเรามันมีความเครียดอยู่วุ่นวายอยู่เป็นทรคอยู่ข้อธรรมที่ธนบัตจาคะ การเสียสละค็ใหนึกเสียสละจาคะบางจากสิ่งกิริยานั่นๆที่มันเป็นอยู่มีอยู่นั่นนะนึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้อันนี้แหละเป็นกิเลยปรร์ปฏิบัติธรรมทำาไมท่านถึงสอนให้ละจาคะเสียสละในสิ่งที่ไม่ดีภายในใจ กเพราะสิ่งนั้นนั้นไม่ดีเมื่อสิ่งไม่ดีมีอยู่สิ่งนั้นมันเป็นฆ่าศึกมันทำลายความดีของจิตใจสิ่งนั้นมันเป็นศัตรูมันทำลายความสุขของจิตใจจาระค์การเสียสละในสิ่งที่เป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูนั้นหมายเอาตรงนี้ต่างหาก ฉะนั้นการจะการนึกถึงจากะการเสียสละการละการวางอารมณ์อันั้นส่วนทางที่ดีเป็นส่วนนึกประกอบศีลเป็นกิริยาส่วนนึกให้เกิดให้มีขึ้นนึกอย่างไรนึกให้จิตใจของเรามีความปกติ เมื่อจาราสลัความชั่วสิ่งที่เป็นขาสึกเนื้อให้จิตใจของเรามีความปกติใสเยน็นโกกเย็นใจให้ตั้งอยู่ในความดีลักษณะส่วนนี้เป็นสิ่งให้ปากฏขึ้นเป็นกิริยาให้ปากฏขึ้นคำว่าปกติกับความวุ่นวาย มันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละอย่างกันคำว่าปกติกระดูว่าปกติเป็นยังไงคือจิตใจของเราไม่มีความบุ้นความบายความฟุ้งซ่านํำคาญความเป็นทุกมันมีความปกติเย็นอกเย็นใจความปกติเย็นอกเย็นใจอยู่ที่ไหนก็เกิดความสุขความสบายขึ้นที่นั้น เนี่ยเป็นจิริยาของศีลเป็นจิริยาของธรรมที่จิตใจของเราควรจะนึกควรจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นมีขึ้นทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกทุกชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันทุกเวลาวันเวลาของพวกเราถ้าอยู่ในความรู้ตัวอย่างนี้ เห็นจิตใจอย่างนี้จะเห็นวันเวลาที่พวกเราผ่านมาหรือความเป็นอยู่นั้นว่าเวลานั้นน่ะที่ผ่านมาก็ดีเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดีเป็นเวลาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับใ จ, ใจิตใจเราไร่ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไป เราไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตของเราปราศจากความดีเราไม่ได้ปล่อยจิตใจของเราให้ปราศจากความดีใขนขณะเดียวกันเกิดความภูมิใจหรือเรานึกถึงความดีในลักษณะของศีลยังไม่แจ่มก็ควรนึกถึงลักษณะของธรรมมาเป็นเครื่องกำกับ ลักษณะของธรรมเป็นยังไงวางสิ่งที่มันมีความเป็นทุกข์เศร้าหมองนึกถึงความสบายให้เกิดขึ้นเราตั้งความสบายเราเรียกความสบายนึกถึงความสบายเราเรียกชื่อความสบายให้ปรากฏในความรู้สึกในขณะเดียวกันแล้วก็นึกให้ใจของเรามีความสบายขึ้น นึกยังไงให้ใจมีความสบายในขณะที่นึกในขณะที่ฝึกในลักษณะอย่างนี้คือเราใช้อุบายกำลังมีอุบายหาอุบายเพื่อจะยังทำคือธรรมชาติสร้างความสบายให้ปรากฏขึ้นเมื่อนึกเข็นความสบายแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่อยู่กะลมหายใจหายใจเข้าเขเห็นความสบายเป็นเครื่องปากฏอยู่หายใจออกเขเห็นความสบายเป็นเครื่องปากฏอยู่หายใจเข้าหายใจออกก็เห็นความสบายเป็นที่ตั้งอยู่เป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่เรานึกอย่างนี้เราฝึกอย่างนี้ เรียกว่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติในศีลปฏิบัติในธรรมเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในบุญในกุศลคืออาศัยกิริยาอันนี้ที่เราตั้งชื่อเรียกชื่อขึ้นมาแล้วฝึกจิตใจของเราให้เป็นนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ ไม่จะว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะชีวิตควรมเป็นอยู่พวกเราที่ผ่านมานี่เราปล่อยจากสิ่งเหล่านี้ไปก็สิ่งแวดล้อมควรมเป็นอยู่ของโลกโดยเฉพาะกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเรามันเรียกร้องกับวัตถุเสีย่ยงของ มันอยากจูกระสิ่งวัตถุสิ่งของจนกลายเป็นไปตามลักษณะของกิเลสคดทุกประเภทกิเลสแต่ละประเภทที่มันแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ครบทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดกิเลสสิ่งเหล่านี้กระดูจนานามันมีครบยังไง ลาคะตัณหามันก็เกิดเมื่อเราสเสวงหากับวัตถุภายนอกความอยากภายนอกบางครั้งบังคารมันเกิดโทสะบางครั้งบังคารมันเกิดโลภะบางครั้งบังคารมันเกิดโมหะลาคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีโลภะก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะนำความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นกับจิตใจล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะนำความวุ่นวายเป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความสังรวมในสิ่งเหล่านี้ละวังในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ท่านเปียบเหมือนอย่าไฟ ไปนี้ถ้ารู้จักใช้เห็นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็อำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นถ้าใช้ไม่เป็นแทนที่มันจะเกิดประโยชน์มันก็เกิดเป็นเพลิงสร้างความพินาศ ช, ชิบหายให้เกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องแรกมันขึ้นอยู่กับการใช้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ยังไงแช่ไหนโทษมันเป็นยังไง ฉะนั้นกิเลเตแต่ละประเภทส่วนใดที่จะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้รู้จักใช้ตามการตามเวลามันก็พอจะหายใจทั่วท้องส่วนใดที่ไม่เป็นประโยชน์เลยอย่าให้มันเกิดเสียเลยอย่านามาใช้เสียเลยเมื่อให้มันเกิดทางจิตใจใช้ทางจิตใจแล้วเป็นทุกข์มากทีเดียวสิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้ยังไงมันจะไม่เกิดยังไงอำ น, นาจความหลงมันมีอยู่ฉะนั้นนะ่ความหลงนี่จึงเป็นอันตรายกับจิตใจสร้างความทุกข์ให้จิตใจไม่รู้ว่าจีพศจีชาติจีกับจีกันอันนั้นจะชาตเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์อันนี้จึงว่ามีทางเดียวแต่เรานึกถึงคุณค่าชีวิตความเป็นอยู่ กับเวลาที่มีอยู่ว่าการเวลาที่มีอยู่ร่างกายของเราในขณะ น, นี้ก็พอที่จะมีเลี้ยวมีแรงมีกำลังบังชาจิตใจของพวกเราก็ยังเป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์มีสติมีปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วความดีของเราส่วนนี้ควรจะ จัดเป็นเวลาให้อยู่กับศีลธรรมความดีจึงจะเรียกว่าเวลาที่จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่ากับพวกเราถ้าพวกเราไม่เข้าใจอย่างนี้ร่างกายจิตใจเวลาความเป็นอยู่ที่มีอยู่นี้จะไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายจิตใจของเราจึงจะ เรียกเลย ว, ว่าบุคคลเช่นนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยความประมาทถ้าพวกเราไม่เข้าใจเป็นบุคคลที่มีความประมาทแล้วน่าสงสารน่าลดลสังเวช ท, ทีเดียวถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพยายามทําการเวลาร่างกายจิตใจของเราให้อยู่ในประโยชน์ให้อยู่ในความดี จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลไม่มีความประมาทแล้วจะได้สร้างความสุขสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราทุกการทุกเวลาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาเอวังก็มีด้วยประกาไรชนี